ทัานธรมยังธัมมคารวาติคาทาโยปนามะเสงเยจจาจีนาจัมปุชาเยจามุทาานาจตาโยเยจารายิจัมปุโตภูมังโสภณัสโตท้าปุทายาปนาีิลวงไปและรวย ทียังไม่มาจัดการด้วยและพระพุทธเจ้าผู้ขจัดทุกขของมหาชนในการบัญญัติด้วยพระเภษาธรมมาภรณ์วิหารสุวิหาิจารอาสาบิวิหาริสันติเอกาพุทสานสัมมาตาพระโสธาจ้าทั้งปวงนันสุขพระองค์ชาวโลกธรรม เป็นมาแล้วด้วยดำรงเป็นอยู่ด้วยและจับเป็นด้วยเพราะามาตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองตาจะไม่อาศัยการเปนนามาตมารีร่าสกันตาจโมฆะรูปะดัโพธิังพุทธานัสสานันเพราะจะนันงอู วัว่างอยู่เฉพาะคุณเรื่องส่เมื่อเราเลื่อนใจถึงคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่จงทําความเขารู้พระธรรมนัยน์จังโมอาจังโมจะอุปสมาวิปากิจทมและอาจทำจะมีผลเหมือนกันทั้งสองอย่างมาไม่ได้ ที่ระยเมติธัมโมพาเมติสุขะติทมย่อมนำไปนรคทมย่อมนำไปถึงสุขะติทรมโมหาเลตุคติทัมมจาริทมแล้ย่อมรักษาผู้กลาด้วธรรมเป็นมิตทธรรมโมสุจิโนสุขมาวาติ คามนี่ปราบพืชดีแล้วย่อมนำสุขไมายตนเจ้านี้จำตรัรทมเมสุกินเดชนี่เป็นานิสงในความที่ตนประบพืติีแล้ว